ก็องใหญสักครูน่นึงกว่าเข้า ม, มาได้ยินไม่น้ อ, ง, องนี้ผู้นี้พอใช้ได้นะได้ยินครับจะได้นั่งเป็ใกล้หน่อยนี้มันต้องเข้าเป็นใกล้ผู้จะไม่ได้ยินตอนนี้ไลฟ์ทางทางยูทูบแล้วครับพอาจารย์ครับไลฟ์ได้แล้วออี เดีวลองเข้าไปดูหน่อยครับที่ที่ที่ youtube จะมีจะมีลิงก์เขียนไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าใครต้องการจะเข้าก็สามารถจะจะเข้าไปดูในรายละเอียดตรงตรงตร ง, ตรงลิงก์นะฮะแล้วก็พิมพ์เข้ามาเออเคาะเข้ามาได้เลยนะฮะกดแป้นแป้นเข้ามาได้เลยใช้ได้ครับมีคนแปดคนและยูทู มีทางยูทูบมีทางเฟซบุ๊กทีมงานเข้มแข็งเห็นละแปดคนละแปดคนครั บ, รบตอนนี้ทางเฟซบุ o กสองร้อยสามสิบห้าแล้วฮะทั้งสองช่องทันสมัยมา่าอ่าคุณแกชลินวันนี้มาก่อนเพื่อนเลยจากดแโรไลนา สวัสดีค่ะคุณเกษรินเปิดได้เลยลครับการกนามสกันค่ะพระอาจารย์ก็เดิมาเร็วกว่าเข้าเพื่อนเลยเอ พ, อพอดีเห็นเมืม่อกี้กําลังไปฟังพระอาจารย์เทศอยู่พอดีว่าเห็นพระอาจารย์กําลังไลฟ์ก็เลยรีบเข้ามาอไม่ใชีไปดูภาษาไหนภาษาไทยแล้วภา ษ, าษาอังกฤษอะไรนะคะเมไปดูหน้าภาษาไทยแล้วหน้าภาษาอังกฤษ ภาษาไทยค่ะค่ะวันนี้ไม่ได้เอานกมาด้วยเลยยังไม่ตื่นนกตื่นเก้าโมงเช้าเออเานอนที่ไหนมีกองไหมคนอนหรือยป่ะมีค่ะนอนสิบนกนกพันนี้นอนสิบสองชั่วโมงโอ้นอนเยอะนะเจ้าค่ะนอนเนท่าไหนอ่ะเขาเขาอยนอนเกาะ ค่ะเกาะเกาะเกอะมันจะมีกิ่งไม้ของเขาเขาเกาะแล้วก็จะกำมืออยู่ข้างหนึ่งแล้วก็หลับตาข้างหนึ่งเขาไม่ไม่นอนมันค่นน้าเพราะว่าต้องต้องคอยระวังมันมันเหมือนสัญชาตญาณของเขากันพวกเหี่ยวพวกอะไรมากินวันนี้มีอะไรจะถามไหมวันนี้เหรอจ๊ะคะวันนี้เหมือนกับว่าการ ปฏิบัติของโยมมันเหมือนมันรุ่มรุ่มดอนดอนขึ้นขึ้นลงลงนะเจ้าค่ะมันบางทีมันก็ดีบางบางทีมันก็ไม่ดีก็อยู่ที่สติส่วนหนึ่งแล้วก็อยู่ที่เราไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกส่วนหนึ่งถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับเรื่องมากมันก็ใจมันก็ยุ่งมากมันก็ปฏิบัติมันก็ยากแต่ถ้าเราไม่เกี่ยวข้องกับใครอยู่คนเดียว นั่นเราจะริลสติอยู่เรื่อยๆมันก็ดีนะต้องปิดวิเว้แล้วก็ต้องพยายามจะริลสติอยู่เรื่อยๆใ้่ค่ะแต่ระหว่างเชิญพระอาจารย์ก่อนคะ่ะตอนี่แหละก็ต้องพยายามอยู่คนเดียวแล้วก็อย่าไปมีเรื่องมากอย่าไปมีเรื่องอะไรกับใคร แล้วก็พยายามจะริญสติคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดไว้แล้วนั่งสมาธิมันก็จะสงบง่ายช่วงนี้โยมจะไม่ค่อยนั่งสมาธิเท่าไหร่มันเหมือนความขี้เกียจแต่โยมจะหันมาทานที่ว่าระหว่างวันนะเจ้าค่ะคือภาวนาอยู่ตลอดนั่นเนี่ยก็ต้องสติระหว่างวันก็คือต้องใช้สติพุทโทษไปแล้ว ค, คอยคอยดูว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ อย่าปล่อยให้จไปคิดเรื่องราวต่างๆเจ้าค่ะแล้วก็ต้องนั่งบ้างถ้าไม่นั่งมันก็ไม่ไปไหนมันก็อยู่แค่สติขัานสติแต่อยากดสมาธิก็ต้องนั่งเจ้าค่ ะ, ะปกติโยม ป, ญญปกติโยมจะตื่นช่วงตีสี่เดี๋ยวนี้ตีสี่ก็ไม่อยากจะตื่นไม่คิดที่จะตื่นมาพัฒนาหกโม กลายเป็น<ม>เป็นคนนอนเติมสายมันมันมันต้องปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่เจ้าคะ่ะต้องบังคับตัวเองต้องกําหนดตารางเวลาพอถึง เ, เวลาก็ต้องตื่นถึงเวลาต้องทำํำก<ช>็ทำเรามีตารางสอนอ<ช>ย่างเวลาเรียนหนัสือก็ยังมีตารางสอนเาราเรียนเจ้าคะ่ะเข้าตรงนี้กี่โมงวิชาแรกเรียนอะไรชั่วโมงแรกเรียนอะไรชั่วโมงที่สองเรียนอะไร เราก็ต้องทำตารางปฏิบัติเตี๊ยสีไหวยพระสวนมนตงสมาธินูกขึ้นเดชจงคงแล้วก็ทำภารกิจรับประทานะาอะไรต่างๆไปเลยก็ย<ช>ิ่ถ้าปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์มันก็ไม่เอาแล้วมันก็ไม่ไปทำเท่าไหรเจ้าค่ะมันก็อยาไปเทเลทไหลไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ แต่ว่ า, าจิตจิตของโยมช่วงเนี้ยมันจะไม่ค่อยวุ่นวายเจ้าค่ะก็คือว่าบางทีมันมีเรื่องอะไรเข้ามาเราก็พยายามที่ว่าสอนจิตตัวเองว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนโยมพยายามสอนตัวเองเย่างนี้เจ้าค่ะก็ดีก็ดีแต่มันก็ยังมันไปไม่ไกลนะมันต้องให้จิตรวให้ได้ต้องนั่งสมาธิทําจิตให้รวมเลย เจ้าค่ะม ม, มันถึงจะปล่อยได้เยอะกว่าเจ้าค่ ะ, ะเพราะว่าช่วงช่วงโยมอยู่คนเดียวโยมจะนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆพอดีว่าช่วงเนี้ยลูกสาวกลับมาก็มันมันไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาของพวกเขานะเจ้าค่ะมันเป็นปัญหาของตัวโยมที่ว่าโยมเอาจิตไปยึด ก, กับพวกเขาก็คือว่าเหมือนมันเป็นข้ออ้างของกิเลสตัวเองว่า ไม่มีเวลาจริงๆแล้วตัวเองมีเวลาเพราะเขาไม่ได้มาวุ่นวายอะไรกับเราที่ไหนมันชอบหาเรื่องที่มันเปิปักษเจ้าค่ะชอบเจ้าค่ะมันชอบเบี่ยงเบนเบี่ยงเบนเจ้าค่ะเจ้าหนีเจ้านีเป็นการปฏิบัติเจ้าค่ะอ้างหมดทุกอย่างเวลาไปเจ้าค่ะไม่อ้างเลยเจ้าค่ะไม่อ้างเลยเจ้าค่ะอ้างเลยอ้างทุกอย่างทุกเวลเจ้าค่ะเจ้าค่ะโอเค ใค้คนไหนก็พูดบ้างไหมเรื่องยังไ <จะ S 1> ม่ม<ร>ะาาไม่มีจ้ะค่ะคุณต้อยนะคุณเคลอไวนลก้อยใจคุคณก้อยใจเดี๋ยวเปิดไมค์ก่อนจ้ะครั บ, บอันมิวิไอคออันมิวครับคุณกอ้อยใจอันมิวเลยครับมีมีจะมีเมนูขึ้นที่หน้าจอนะฮะ ต้องเปิดไมโครโฟนก่อนเคปิดเปิดไมโครโฟนเจ้าค่ะอาจารย์มาจากที่ไหนบ้าอ่าบางใหญ่ค่ะอาจารย์บางใหญ่เจ้าค่ะบางใหญ่บางใหญ่งนนท์ค่ะบนนทบุรีใครเข้ามาหรอเปล่าใครเข้ามาหรือยังครั้งแรกค่ะอาจารย์แอบแอบมองอยู่ในเฟซอย่างเดียวอ่ามาดิกาเข้ามานะ ลองลองดูก็เลยกดเข้ามาค่ะป้าจันมีอะไรจะถามไหมมีอยู่อยากจะถามว่าทําไมเวลาลูกนั่งสมาธิมันดูแบบเป็นทุกข์มากเลยอะค่ะป้าจย์แบบจิตมันเศร้ามากเลยอ่ะพี่เลนมันต่อต้านเนี่ยพีเลนมันไ่ชอบมันไม่ชาไปห้เรานั่งเฉยๆอยู่เฉยๆมันชอบให้เราไปกินไปเดิมไปเลย ไปกินไปดื่มไปไปดูไปฟังมันไม่เศร้าใช่ไหมไ้นั่งอยู่เฉยมันก็เศร้าซึมเอม่องเงาขึ้นมาสอยเศร้าซ่้อยห้อยเงาไม่เวลาเรื่องของกิเลสทำให้มีสติระงับมันเรา ต, ต, ต้องฝึกสติให้มากๆก่อนยิงยาไม่รู้สึกต้องมันพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันก่อน ลูกลูกก็ตื่นมาทําตอนตีสี่ทุกวันเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ว่าตื่นมาพอตีห้ามันจะนิวรนเข้าแทรกแบบบ่วงแบบไปไหนไม่ได้เลยต้องนอนอย่างเดียวก็ลองลุกขึ้นมาเดินดูต่อไปได้เจ้าค่ะใช่แกง่วงต้องลูกขึ้นมาเดินแล้วต้องฝืนมันมันอยากจะนอนก็อย่าไปปล่อยให้มันนอนอย่าไปทําตามใจมันก็ดูว่าเรานอนพอหรือยัง พอแล้วมันอยากจะ น, นอนก็จะดาวมกิเลสนะถ้านอนมาห้าชั่วโมงนี้ถือว่าพอแล้วล่ะเจ้าค่ะอ๋แต่พอมันเจ้าค่ะทำกาพูดโธเดินไปพูดโธไปพูดโธพูดโธไปช่วงหน้ๆนี้ความง่วงมันจะเป็นอุปรสรรคมาก ต, ตอนเช้ามืดเนี่ยเจ้าค่ะอาจารย์แล้วก็ ต, ต้องพูดโธไปเรื่อยๆถนะ้าไม่ใช่เฉพาะตอน ตอนนั่งอย่างเดียวเวลาอน่นก็ต้องไปยายามพูดโทรพูดโทไปด้วยได้จะค่ะจะต้องลองฝึ ก, อ, กอีกรอบหนึ่งเพราะตอนนี้ฝึกฝึกทุกเชา้าแต่ว่ามันจะง่วงตอนตีห้าจะเดินบางทีดเดินชนขอบประตู<อ>ก็มีแบบรลับในอะค่ะอาจารย์เ ด, เดินละมันแรงขนาดนั้นะเดนถ้าทำ <laughs> เป็นไำเป็นไ ป, นไปที่ไหนก็เหมืน ท้าทตื่นเช้าไปเที่ยวเนี่โอ้ยมันตื่นแต่เช้าเลยแต่งเนื้แต่งตัวอะไรไม่่วงเลยแต่พอใช้แลกขึ้นมาปฏิบัติธรรมนี่มันง่วงขึ้นมานทีใช่เจ้าค่ะง่วงมากเคยเดินแบบเดินแบบจะเข้าอีกค้องนึงแต่เดินชนขอบประตูแบบรู้ตัวอีกทีคือหัวโนแล้วค่ะอ่าดีเหมาะสมหน้าหน้าอยากยังง่วงเลยต้องามันนึงสม่ำหน้า <laughs> <laughs> เจ้าค่ะปราชญ์นะต้องพยายามฝืนนะแต่ถ้าฝืาไม่ไหวจริงๆก็ยอมแพ้มันก็ทําไปนอนอะ่ะแต่ถ้านอนมันก็ไม่เข้าหน้าไม่ไม่ได้กําไรขาดทุนใช่เนจะ้าค่ะสังเกตดูจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าพ อ, พอนอนเสร็จปุ๊บมันก็เลยเถิดไปบางทีเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งอย่างนี้ค่ะปราชญ์มันก็เสียเวลาไปเปล่าประโยชน์ชีวิตเราก็สั้นลงสั้นลงไปทุกวันเวลาก็น้อยลงไปทุกวันต้องคอยเตือนสติอย่างนี้ จะได้เห็นคุณค่าของเวลาของเราได้เจ้าค่ะพรอาจารย์แล้วมาสักการเจ้าค่ะโอเคอเราแค่นี้ก่อนเลยคุณหมอออนหมอออนจะทักทายไหมอ่าอนมิวหน่อยกลับมาสการค่ะพระอาจารย์เอ่าเป็นยังไงสบายดีเหรอดีค่ะอาจารย์สบายดีนะคะอ่าเป็นยังไงมีอะไรบ้างหรือมีค่ะมีพระอาจารย์คะความคิดต่างอ่ะคะ่ะ คิดไปเรื่อยๆเราจะแก้ไขยังไงอะคะก็ใช้พูดโชสู้มันด้วยอย่าไปปล่อยให้มันจิดบางครั้งมันมาคิดพุดโธแทนเพราะมันคิดสองอย่างพร้อมกันไม่ได้เนีแล้วก็พยายามดึงมาพูดโชพูโทโชนึนท่องคาถาอะไรที่เราจาได้ไปก็ได้คาถาอิติปิโสไปมันจะได้มีอะไรทำมีอะไรคิดมันจะได้ไม่ไปคิดย้นนอนเวลามี นะต้องพ ย, ยายามขยันขยันสวดขยันท่องพุโทโธแล้วต่อไปเวลามันคิดเราก็ใช้พุโทโธใช้การสวดนี้หยุดมันได้อั้งใจเอี่ยที่เกียรตต้องฝึกเหมือนออกกําลังกายเนี่ยต้องเวลาวนะิ่งต้อ ง, ต, องต้องไปฝึกวิ่งทุกวันทุกวั น, ว น, นเวลาจะไปวิ่งแล้ววิ่งไม่มีแรงจะวิ่งใช่ไหม แล้วเราฝึกวิ่งทุกวันเดี๋ยวพอถึงเวลาไปวิ่งมาลารอนกับเขาเราก็ไปได้ยต้องพยายามฝึกพุโทโธพุโทโธฝึกสวดท่องคาถาไปแล้วเดี๋ยวพอเวลามันคิดมากเราก็ใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมันได้ฝึกสวดคาถาไปหยุดมันได้เะ็นยังไงบ้างทางานทุกวันหรือเปล่าแล้วไมีมวันหยุดหรือเปล่มีค่ะ คนนี้หยุ ด, ห, ยดหลายวันเหมือนกันค่ะค่ ะ, คะเป็นหมอเด็กหรือเป็นหมออายุรกรรมอายุรกรรมค่ะอยู่ที่สาขาไหนนะอยู่ที่นั่นกเรียนนะอยู่เฮลค่าค่ะอยู่ตรงราชโยธินค่ะราชโยธินเป็นโรงพยาบาลเล็กๆคลินิกเล็กๆนี่เหรอเป็นบ้านพักคนชร า, าค่ะแล้วก็เอซีีค่ ะ, คะอย่านี้เขามีหลายแผนกนะหลาย ดีอโอเคเดี๋ยวถามต่อไปนะถ้ามีอะไรอยากจะถามก็ถามต่อมีอะไรอยากจะถามอีกไหมตอนนี้อาจารย์คะเรื่องของกายและจิตนะค่ะเรื่องของกายพอเข้าใจนะคะแต่เรื่องของจิตนะค่ะจิตมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาสุขบ้างทุกบ้างเตื่นแจ้นบ้าง ง่วงง่ว ง, ง, ง, งหนาวหาวนอนมากอะไรนะี่ก็เรื่องของจิตทั้งนั้นแะไม่ใช่เรื่องของร่าง ก, กายกเปลี่ยนอารมไปเรื่อยเื่อยเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวสดชื่นเบิกบาน อ, อันนี้มันก็มีเหตุเหตุก็คือความคิดปรุงแต่งเป็นตัวหลักแล้วก็เหตุการณ์ที่เราไปสัมผัสรับ ร, บรู้มันก็ทำให้จิตเราเศร้าได้สดชื่นได้เบิกบานได้ ถ้าเราไม่รู้จักวิธีควบคุมมันแล้วก็ต้องทําใจว่าอจิตเรามันก็อย่างนี้เหมือนนิดพลาดตัเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยววันี้เศร้าเดี๋ยวพวันนี้สดชื่นแบบบ้านจะไปให้มันสดชื่นแบบบ้านชำรนใจทุกวันมันเป็นไปไม่ได้ถ้ายอมรับมันได้มันก็จะไม่เศร้ามามันก็จะไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะมันอยากจะให้มัน ให้มันความเศร้าหายไปอยากจะให้มันมีแต่ความสดชื่นเแบบิกบานตลอดเวลาแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอนิจจังมันไม่เทีย่ยงมันเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบางคั้งไปสั่งมันไม่ได้ทุกทุกครั้งไปนหัดทําใจเฉยๆให้อยู่กับมันไปฝึกสติฝึกพุทธโธพุทธโธไปเวลาใจเศร้าก็พุทธโธพุทธโธไป อย่าไปทุกข์กัมันอพอใจเราไม่ทุกขแล้วความเศร้าก็ไม่เป็นปัญหาเลยเดี๋ยวมันก็หายไปได้ยินไหมพูดไม่ได้ยินไหมได้ยินค่ะอาจารย์มีอะไระไหมนี่นี่ลาา้วค่ะใครคนอื่นมาโอเคอ ก, การนมัสการค่ะอาจารย์โอเคอกกอเคชิญท่านต่อไปคุณเอกใช่ไหมคุณเอก ชปไคณะกรโรมการพระอาจารย์ครับผมจากเชียงรายใช่ไจากเชียงรายครับเป็นยังไงบ้างสบายดีเหรอสบายดีครับอาจารย์พระอาจารย์สบายดีไหมครับอสบายดีครับห า, บายใจได้หายใจได้ค ร, ครับผมก็ช่วงนี้ผมก็เหมือนเดิมครับพอาจารย์อยู่ในปฏิบัติทุกวัน ก่อด น, นอนแล้วก็ตื่นตีสี่บางวันก็ตีสี่ครึ่งครั บ, ยายาบก็ยายาครับผมก็จะมีมันจะเป็นในช่วงตอนเช้าครับพระอาจารย์ช่วงตอนเช้าตอนนั่งสมาธิมันมันจิตมันไม่ไม่ค่อยนิ่งอะครับเป็นบางวันนะครับอาจารย์มันนิ่งไม่นิ่งก็ให้รู้ตามความเป็นจริงไม่อยาาประหยัดประหยาดแล้วมันจะทุกข์ ที่มันไม่นิ่งเหตุก็คือสติเรามันไม่ดีมันก็เลยไม่นี่งโอ้ค่ะผมในช่วงตอนเช้านะครับอาจารย์แต่ช่วงตอนเย็นนิ่งนิ่งอยู่ครับเบาโป่งโล่งเบาอยู่ครับช่วงตอนเย็นนะครับได้ก็ให้รู้ตามความเป็นจริงของมันนะครับอาจารอย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปอยากให้มันให้รู้รสาเหตุแล้วก็พยายามแก้มันในส่วนใหญ่ของการปฏิบัติก็คือสติเรามันไม่พอสติครับผ ม, ม สติไม่พอครับผมทาให้ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ไม่งได้เท่าไหร่ครับผมอืม่มพี่สติ ค, ต ค, ค, ร, ครับผมตื่นขึ้นมาก็เอาเอาพูดโทใส่มันไปเลยอย่าปล่อยครับผมเพราะผมผ ม, ผมตื่นถ้าผมตื่นรู้สึกตัวผมก็เออจะจะรู้ลมหายใจสักประมาณสักสามรอบครับพูดโธพูดโ ท, ดโทก่อนที่จะลืมตาครับลืมตามาก็ ส่วนมนุ์ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิครับแต่มันก็มีสายมีมันมันไม่เที่ยงใช่ไหมครับพระอาจารย์ใช่ลกขึ้นมันไม่เที่ยงใช่ไหมลุกลุกขึ้นมาเดินก็ได้อดีสติเาน้อยโอ้ครับแล้วค่อยตั่งครับแล้วค่อยนั่งครอไปครับผมครับผมกับขอคุณพระอาจารย์ครับพระอารย์ครับผมคนพป็นพิดา ท่านละคนเพียงพิลากเวอร์จิเนียหรือจอรอันมิไมกดกดอันมิลเอาใหม่ครับก ด, กดอันมิล oh ครับ่า ก, ก, กับน้ำมาสการค่ะพระอาจารย์เวอร์จิเนียใช่ไอเวอร์จิเนียค่ะอาสบายดีเหรอสบายดีค่ะพระอาจารย์มันนี่มีอะไรจะถามไหมอ่าก็ คอาที่แล้วพระอาจารย์ให้คาแนะนาเมตตาคำแนะนำหนูว่าก็ให้พยายามระลึกถึงไตรักอยู่เสมอค่ะแล้วก็จะทุกน้อยลงก็หนูก็พยายามหลังจากที่นั่งสมาธิแล้วพอถอนออกมาจากสมาธิก็ระลึกให้ทุกอย่างเป็นไตรักแบบเอ่อคนที่เราชอบไม่ชอบคนในครอบครัวหรือว่าอะไรเงี้ยทุกอย่างก็เหมือนเป็นแค่ท่าอะค่ะก็ก็ก็เริ่มรู้สึกก็บางทีก็ติดก็เข้าใจก็ ก็สมายใจแบบโล่งโล่งอะไรค่ะเราไปหวังครับขาไม่ได้ไปหวังอะไรจากเขาไม่ได้ค่ะเราเป็นคนดีตามอากาศเดี๋ยวดีบ้าเดี๋ยวไม่ดีบ้างสลับกัไปเราอย่าไปหวังอะไรจากเขาแล้วเราจะไม่เศร้าเราจะไม่ทุกข์ค่ะยินดีตามมีตามเกิดค่ะค่ะวิจิเนีทุกอย่างไม่แต่ร่างกายของเรามันก็ไม่แน่นอนถามมันดีสีวันไข่เนี้ย บางวันก็ประมันก็ดีบางวันก็ปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้ก็อยู่กับมันไปแก่ได้ก็แก่ไปรกักษาได้ก็รกักษาไปเอทุกอย่างก็เหมือนกันทุกอย่างทําอะไรได้ก็ทําไปทําไม่ได้ก็ช่างหัวมันที่ว่ า, านาที่สุดแล้วก็ตายกันหมดไม่มีใครอยู่คำฟ้า่ไม่มีใครเอาอะไรไปได้ทำไมเราไปแก่งยากกิน ด, ดีกันให้มันเหนื่อยยากมากกันไป ค่ะม <c oughs> ันพลอะไรไปได้ถึงเวลาก็ที่ไม่แม้แต่ร่างกายของตัวเองก็ยเอาไปไม่ได้เลยการตายรักเนี่ยเหน็นนั้นนิยมความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความตายนี่ก็เป็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายของเรา <c oughs> ตอนนี้มันช่วยกำจัดกิเลสตัวโลภได้ดีคือความตายคราวนี้นึกถึงความตายแล้วว่าเราจะไปวุ่นวายอะไรกับมันมากมายทำไม ใช่ไหมค่ะเราไปไม่ได้อการคิดทำใจรักได้กาบคิดทาาําำใจรักก่อคิดไม่เป็น<ะ>ก็เอาพุทโธพุทโธสวดมนต์ไปก่อนหยุดความคิดไปก่อนค่ะเราก็นั่งสมาธิอยากจะมีความสุขก็ต้องนั่งสมาธิ<ะ>อย่านั่งดูทีวีอย่านั่งกินถนม น, นั่งสมาธิดีกว่ามีความสุขที่ดีกว่าคา่าะ มีละรจยถามไหมวันนี้ไม่มีแล้วค่ะพระอาจารย์อีใจที่ดเจอกันค่ะชช่นกันค่ะพรอาจารย์รักษาสุขภาพนะคะระาจารย์รัาเพืคนเป็นสุชาลิมลิมเป็นคนจีนเหรอลิมไม่ใช่เจ้าค่ะพระอาจารย์ตั้งตั้งไว้เฉยค่ะนามสกุลพ่อเจ้าค่ะพระอาจารย์มีอะไรอยู่ที่ไหนนะอยู่อุดรเจ้าค่ะ เอาดอนอาทิตย์แล้วก็เคยมาอาทิตย์แล้วก็ใช่เจ้าค่ะที่ออกมาเจ้าจ<ะ>ดีขึ้นไหมปฏิบัติดีขึ้นไหมวันนี้ดีขึ้นเจ้าค่ะทาตามที่พระอาจารย์บอกเลยเจ้าค่ะ อ, อแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเวลานั่งสมาธิมายกมาสังเกตตัวเองเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าทุกครั้งที่ออกจากสมาธิคือมันจะไปรับอารมณ์ข้างนอกนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์อย่าปล่อยสอย่าปล่อยอย่าปล่อยสติ ต่อมาก็ต้องพูดโทต่อควบคุมใจต่ออี่าปล่อยอย่าไปรับอานมณ์ให้ร<อ>ู้เฉยเฉยรู้แต่อย่าไปมีอารมณ์กับสิ่งที่เรารู้ถ้ามันจะมีอารมณ์แล้วก็ดึงกลักบด้วยพูดโธพุดโธพุดโธไปพูดโทพุดโธพุดโทรไ ป, รรรไปแสดง<อ>ว่าในการในการทําสมาธิก็คือแม้เราจะออกจากสมาธิแต่ในระหว่างวันเราก็จะต้องทําไปตลอดใช่ไหมเจ้าคะใช่ <พา S 2> ใช่ต้องทําตลอดไหม ตควบคุมจิตตลอดเวลาเวลาเข้าสมาที่มันมันเราเรลาหลงเนี่ยเราไม่ต้องไปรับอารมณ์เพราะเราไม่ไปรับรูปเสียงกลิ่นน่าต่างๆมันก็จะสมองง่ายแ้่ก็อยากสมนึกขึ้นมาเราต้องไปรับสึกแลมีค่าสึกทรอบตัวเลยเนี่นก็ต้องพยายามสอนใจว่าอย่าไปอยากอย่าไปหวังอะไรยากใครอย่ที่เมื่อกี้พูดไปยองคนเมื่อกี้เนี่ยเจ้าขา ย, ย, ม, ยามันได้แล้วอยากใคร S <S เหมือนพ่ออาจารย์ตอบคําถามให้ไปในตัวเจ้ามันมันเป็นปัญหาของทุกคน่ะกิเลสของเราชอบอยากได้โน่นอยากได้นี่จากคนนั้นจากสิ่งนี้หวังอยากอะไรเขาต่างๆแล้วพอไม่ได้หวังก็ไม่ได้ก็ผิดหวังเสียใจอย่าไปหวังอะไรความสุขอยู่ในตัวเราดีและดีที่สุดอยู่ในตัวเราคือความสงบอยากยังไม่ภามสุขก็กับไปนั่งสมาธินี่แบบนี้ว่าแบบ เดีไปกินกาแฟไปหนึ่งไปกินขนมอะไรเนีย <c oughs> สเดียวเดียวเดี๋ยวก็นเสร็จก็หายไปแล้ว <c oughs> กินเสแล้วเศร้าอีกแล้วอยากอีกแล้วอยากน่นนันอยากนั่นนี่อีกแล้ <c oughs> ก็คก็คมใจอยาให้มันไปอยากถ้ามีพุโทโธพุโทโธคอหยุดมันมันก็มันก็จะเบาลงเจ้าค่ะนอมรับคำสอนเจ้าค่ะ สติคือสมาสติคือพุโทโธปัญญาคือตายร่นงคืออนิจจังไม่เที่ยงน่นางจางเราไปควบคุมไปสั่งมันไม่ได้เสมอไปบางทีสั่งก๋วยเตี๋ยวเขาเอาเข้าผัดมาให้เอเก็อย่าไปเสียใจบางทีคนฟังมันเข้าผิดมันจําผิดแล้วมันเอาของอื่นมาให้เรากินนี่มันเอาให้อะไรมาก็กินตามที่เอามาให้ ยินดีตามมีตามเกิดกอย่าไปเจ้าจี้จุกจิกอย่าไเจ้าจี้จุกจิกเราจะไม่ทุกข์ความทุกข์ของเราเกิดจากความเู้จี้จุกจิกของเราอยากได้นั้นอยากได้นี่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้มีอย่างนี้พราไม่เป็นตามที่เราอยากก็ทุกข์ไม่พอใจโกรธเสียใจเราทำใจให้เฉยๆนั่นต้องฝึกสมาธิบ่อยๆเข้าสมาธิบ่อยๆ เจ้าค่ะมันจะไ ม, ม, ม, ม, ม่อเบรค้ามันจะเฉยนวลอัตโนมัติไม่ต้องไปบังคับมันเจ้าค่ะมันจะไม่จูจ้จี้จุกจิกมันจะยินดีตามมีตามเกิดเจ้าค่ะโอเคนะเจ้าค่ะธรรมศาสการเจ้าค่ะคไม่มีเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเชิญท่านต่อไปคุณแก้วแก้วตาแก้วเมื่อเช้าหมอเข้ามาทําบุญเน่ะเขาบอกให้แผ่เมตตาให้แก้วหนา กราบขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ช่วงนี้แก้วสติแตกค่ะเข้าไปพุทโธพุทโธพุทโธขี้เกียจไม่คิดเองแก้ว้อิติปิโสอยู่เรื่อยๆอะค่ะแต่เข้าไปเซิร์ชดูอาการตัวเองในอินเทอร์เน็ตแก้วตรงกับอาการที่เขาเรียกว่าแพนิกอะค่ะคือคนจะเป็นกันเยอะอะค่ะใจสั่นแล้วก็ใจวววิวอะค่ะตอนตอนนี้แก้วสั่งยาเห็น เห็นในเน็ตเขาว่าดีเจ้าเลยล่ะเอาทางโซนดีกว่าเอาพุทโทดีกว่าทางหาษาเขาเรียกว่าเป็นโรคคุ้งซ่านเอนนี้วอนต้องใช้สติปีติปิโสไปเนี่ยอย่าไปกินยาเลยกินยาก็ติดยามันปัญหามันเขาบอกว่าเป็นอาหารเสริม嘛เจ้าค่ะอ่านั่นแหละมันไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้อยู่ที่ร่างกายปัญหามันอยู่ที่ใจบางคุ้งซ่านมันเกิดที่ใจที่ไม่มีสติ คิดแล้วก็วิ่ตอกกังวลไปหมดกังวลกับ เ, นะ<ฆ>เรื่องนั้นกังวลกับเรื่องนี้ต้องใช้ธรรมโอสถเนี่ยแล้วอ<ฆ>ย่าแก้ถูกทางถ้าไปซื้อยของยามากินเนี่ยก็ติดยาเพราะไม่มีซื้อมันก็เครียดขึ้นมาอีกเนี่ยคนใช้อาสายา<ฆ>คนที่มีความเครียดไปซื้อยามาระดั บ, บความเครียดแล้วก็ไปติดยานะั้น แล้วพอเกิดไม่มีงินซื้อยาขึ้นมาก็เครียดขึ้นไปใหญ่งั้นอย่าไปเครื่องยามันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาของจิตอ่ะปัญหาของจิตต้องต้องแก้ด้วยธรรมโอสถ ต, ต้องแก้ด้วยสติกับปัญญาเนี่ยปัญญาก็สอนใจว่าทุกอย่างไม่เที่ยมไม่แน่นอนควบคุมบังคับมันไม่ได้เดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้วเราตายคนนั้นก็ตายทุกอย่างตายหมดไม่ อย่าไปกลัวความตายทําไมไม่มีใครหนีพ้นจากความตายไปได้หรอกเข้าใจไหมเจ้าค่ะมันมันใจวิววิวแบบเหมือนก็เหงาเหมือนเหมือนถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมไ่สงแล้วความรู้สึกแต่แก้วจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าแก้วไม่สงบแต่แก้วก็พยายามพยายามพุทโธเท่าที่จะทําได้พยายามนั่งสมาธิเท่าที่จะทําได้ ถ้าถ้าไม่สงบนี่ให้ให้ฝืนทําต่อไปไม่เจ้าคะทําไปเรื่อยๆเพราะมันจำกัดมันจะสงบนะถ้าไม่ทํามันก็ยิ่งไม่สงบใหญ่ถ้าฝืนได้ก็ทําไปอย่าขี้เกียจทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชนะมั น, นเดี๋ยวก็ชนะร่างใจมันก็จะสงบตอนนี้ปี่เล่ยมันต่อสู้ต่อต้านเราถ้าเราไม่ทำํำเราก็แพ้มันทันทงแต่เราอยากจะชนะมันเราก็ต้องทําไปเรื่อยๆนะ วูไปถอยสวดไปไดเรื่อยๆที่วิสวรรธจบพันจบสวดไป <Okay. S 1> ชนะวัน <Okay. S 1> วนี้นะวันเช้าหมอเข้ามา <Okay. S 1> สลบาที่วัดหมอที่อยู่ที่โรงพยาบาลเทพใช่ไหมหมออ๋อค่ะหมอหมอ๋อค่ะโอเคนะ จะขี้เกียจนั่งถึขี้เกียจสุดก็เพระคุณเจ้าค่ะค่ะสวดแล้วรับรองได้ว่าความเคียดจะหายไปความพุ่งสร้างจะหายไปอ๋อศาสตร์ไม่ไม่ขี้เกียจเจ้าค่ะตั้งแต่พระอาจารย์เมตตาแนะนําแก้วก็สวดตลอดเลยเจ้าค่ะอ่าดีไม่ยอมทำไปเรื่อยๆ้รับประกันได้ว่าใจจะสงบขึ้นใจเย็นขึ้นจะสบายขึ้นนะโอเคท่านต่อไปคุณอธทุกคนอ่าเปิดไมโครโฟนหน่อยจ้ะ มาจากที่ไหนนามสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมาจากฉะเชิงเซาเจ้าค่ะฉะเชิงเซาอ่าอาทิตย์เอ่าอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะลูกได้ไปฟังพระอาจารย์เทพด้วยค่ะครั้งแรกค่ะที่วัดค่ะพระอาจารย์ค่ะดีไหมค่ะดีค่ะทำที่บ้านกับมาที่ที่วัดไม่เหมือนกันนะบรรยากาศค่ะไม่เหมือนกันเจ้าค่ะก็คือถ้าไปวัด คือได้อยู่ใกล้พระอาจารย์ก็ก็จะปิติมากขึ้นค่ะแต่ว่าที่บ้านก็คือจะสวดมนต์แล้วก็ปฏิบัตินั่งสมาธิเช้าเย็นค่ะพระอาจารย์แล้วก็คะต อ, ตอนบาอ่ายกนถ่ายทอดสดบ้างหรือเปล่าตอนตอนบ่ายลูกจะยุ่งค่อนข้างยุ่งค่ะแต่ว่ า, าเมื่อวานที่พระอาจารย์เคยบอกว่าให้หนู ปฏิบัติช่วงพักเที่ยงหนูก็มีทําบ้างค่ะเมื่อวานมีการกําหนดพุทโธค่ะอ่าดีค่ะปฏิบัติไปค่ะหาเวลามาปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะหามาได้นะค่ะเจ้าค่ะยิ่งปฏิบัติมากมันก็ยิ่งได้ผลมากนะจริงๆค่ะพระอาจารย์เพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าใจมันมันดีกว่าเมื่อก่อนเยอะค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่ค่อยทุกข์เหมือนเมื่อก่อนค่ะดีค่ะ สมัยก่อนจะเครียดไม่มีค่ะพระอาจารย์แต่ว่าลูกจะหมั่นเพียรปฏิบัติเพิ่มขึ้นตามลําดับ ค, ะะบ ค, ค่ะหลุพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียร น, นะพระเจ้าค่ะม่วความขี้เกียจ น, นะควาขี้เกียจไม่สามารถพายเราหลดคนได้ค่ะพายเราติดกับการเรียนไหว้ตายเกิด น, นะค่ะก็หนูเพียรขึ้นค่ะพระอาจารย์ปกติตื่นตีห้ามาสวดมนต์นังน่งสมาธิตอนนี้ขยับมาเป็นตีสี่คึ่ง ขยับขึ้นมาทีละนิดละนิดค่ะกอดไปทำงานต่อไปก็ตีสี่นอนให้มันอนให้มันเร็วหน่อยอย่าไปดูหนังอย่าไปดูดีเจดูละครไม่ดูค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ท่านต่อไปคุณพระณดายากจะพูดอะไรั้มสัตยหยีใช่ไหใสายบาเป็นพระจํำเน่กล่าวรมสการ์ค่ะ ไม่ ไ, ไ, ไม่มีคำถามเจ้าค่ะเข้ามาฟังเฉยๆคะ่ะได้งั้นเชิญคุณวิชาต่อเลยนะคุณวิชาอ่งละกอนปะเถอนมิ้วเลยครับคุณวิชากมิ้มมว่อเอ็วันนั้นก็ไปกลับาดะนะครับใช้อากาศไม่จาไม่ได้เลยเปยนหน้าหน่อยก็กลับมาแม่แม่เขาดีขึ้นนะครับอนนี้โอาเิดด้วยแล้วก็ละมด วันนั้นก็บอกเขาว่าแม่จะไปกราบพระอาจารย์ไหมเขาบอกนั่งรถไฟเขาก็บอกเขากลัวบอกทางไกลเขาเลยบอกเออเป็นปากทำบุญไหมเขาก็อกเออเงินปากไว้แล้วกันแล้วก็ตอนนี้ผมเริ่มปรึกท่องปฏิโมกแล้วครับก็คือกล่าวว่าเวลาที่มีอยู่ก่อนเก้าเดือนถ้าปฏิโมกอ์ถ้าให้ได้ถ้าทำได้นี่เป็นภาพที่ไทยๆก็อยากจะให้อยู่ด้วยครับ หาพระทงปฏิโมกมัน่อได้กันเพราะมีกฎว่าถ้ามีพระ อ, อยู่ร่วมกันสี่รูปขึ้นไปต้องมีการสวปรดปฏิโมกถ้าไม่เช่นนั้นก็ต้องไปไปสวดที่ต้องไปดวมกับวัดอื่นเขาแต่วัด เ, เราถ้ามีพระสวดเองได้ก็ไม่ต้องไปร่วมกับวัดอื่นเราได้ส่งได้เออแล้วจะทําทให้มีสติดีทาให้มีสมาธิง่ายด้วยถ้าสวปดปฏิโมกได้ เพาการสวดปฏิโมกจนี้ต้องใช้เวลาประมาณสี่สิบกว่าถึงห้าสิบนาทีไม่มาเห็นจะถึงชั่วโมงกว่าขึ้นไปที่ได้ซ้ําไปอดีพยายามเพิ่ไปนะแล้วก็เพิส่สวดบทบวช ด, ด้วยนะไม่ใช่สวดปฏิโมกหน้าแต่บวชเวลาจ ะ, ะบวชนี่มันก็ต้องสวดเหมือนกันแต่สั้นๆไม่ไม่ไม่มากอะไรละครับบวดแต่ว่าปฏิโมกเนี่ยก็คือเดาให้ได้แล้วก็ไม่อยู่วัดตั้งแต่เดือนมกรา ก็คืออยู่ยาวปรที่20สิบมกราแล้วก็ยาวจนปวดเลยก็คือฝึกปวดวดมนต์แล้วก็วัดปฏิบัติกับวันะะดีสวดมนต์ก็เป็นการฝึกสตินะเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิต่อดูลมหายใจต่อเพราะว่าปฏิบททัติที่ที่วัดรู้สึกว่ามันมันมันดีนดได้ผลาฏิบ้านเยอะเลยะครับ ด, ด้วยเพราบรรยาการมันบรรยากาศมัน่อ ก็อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เวลาท่านดูนะหรือดูลุกสิทธิ์เนี่ยผมก็จะแบบไม่กล้าคิดว็อกแวกเลยคือเราจะพุทโทรพุทโทรพุดโทรเพราะกลัวกลัวท่านจะกลัวท่านจะรู้ว่าเราคิดทะเลทลายเราก็เลยจะจะอยู่พุดโทอย่างเดียวเลยตอนท่านท่านท่านดูแต่ท่านไม่ตามาครับนี่จะไปอยู่เมื่อไหร่มกราที่ปีห้าเลยครับใช่ครับก็คือ ก่อนปีใหม่คือเคลียร์งานแล้วผมก็จะไปการาบพระอาจารย์ที่ผมเคารพหลายท่านนะครับที่ที่ทําให้ผมมาถึงที่ได้ได้ดีครับเวลาไปอยู่วัดแล้วอย่าคิดไปไหนเลยนะอยู่ทีกับที่ดีกว่าที่เอาแต่ปฏิบัตินะครับเพราะว่าคิดว่าถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยโอกาสที่จะ บ, บาดทั้งหรืออะไรเงี้ยผมผมไม่อยากให้มันมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นก็เลยว่าอยู่ที่วัดเนี่ยปลอดภัยที่สุดครับพยายามเก็บตัวภาวัดแล้วอย่ า, อ, าออกเลย ดีที่สุดวันนปลอดภัยสนับจิตใจออกไปแล้วเดี๋ยวไปสัมบัสรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เละมันเดี๋ยวลากเรไปออกนอกรู น, นอกทางได้ไรับร่างกายด้นะโอเคมีอะไรจะถามให้วันนี้เอ่อไม่จริงๆไม่มีอะไรคือยังปฏิบัติอยู่แล้วก็มันมันมีที่แบบนั่งมันอาจจะเสียด้วยวก็คือตอนนี้เดินจงกรมทำได้มากกว่านั่ง ก็คือตอนเชา้าปีสามเนี่ยก็คือนั่งพอนั่งปุ๊บมันได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเองแต่มันมันก็นั่งดีก็คือลมหายใจก็ดีมันละเอียดแต่ว่าเหมือนแต่พอไปนั่งที่วัดอะมันได้มันมันนั่งได้นานกว่าเดินจงกรมเนี่ยได้ได้ยาวเลยใช่ก็อันไหนทาได้มากก็ทําไปอันไหนทำได้น้อยก็ทําไปตามกําลั ง, งมันใหเดินมันใหญ่ข้ายกว่านั่ง ยังเริ่ต น, นี้ก็เดินไปก่อนเดินเพื่อให้เกิดสติมากขึ้นมากขึ้นแล้วต่อไปก็จะนั่งได้ง่ายขึ้นนานขึ้นด้วยโอเคยันไปท่านต่อไปนะคุณนอดีจากพธัธยานาเกลือกดอันมิวได้เลยครับกล่าวมาสการ์ค่ะพระอาจารย์อไปสบายดีนอ สดีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันพราค่ะเดี๋ยวเดี๋ย ว, ยวหนูไปวัดไปฟังธรรมพระจากรเนาะอ่าได้เนี่ย<า>ค่ะไม่ ม, ม, มีถามอะไรแล้วยังไม่ถามค่ะโอเคยินกใจยท่านอื่นนะได้ค่ะอาวินท่านต่อไปคุณอาวินเป็นยังไงเมื่อายจะมาอยู่ปฏิบัติต่อ <Okay. S 2> okay. <Well> สวัสดีกับกับพระอาจารย์ค่ะอ่าเป็น ย, ยังไงสบายดีเหรอสบายดีค่ะพระอาจารย์าายังไม่ไมยังไม่มีโอกาสได้หยุดเลยค่ะยุดยังหยุดงานไม่ได้ค่ะอ่าเมื่อตอนเดือนหน้ามีหยุดสี่วั น, นไหมกําลังจ้องอยู่เหมือนกันค่ะว่าจะทําอย่างไรดีอ่ <laughs> อาสวัสดี พอดีติดลูกชายด้วยค่ะแล้วก็อยากจะพาคุณแม่ไปทําบุญแต่เดี๋ยวดูจะพยายามปีกปีกตัวให้ได้ค่ะเออพยายามมาปฏิบัติดีกว่านะไม่มีอะไรดีเท่ากับการปฏิบัตินะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าไปไปที่นั่นดีกว่าเยอะเลยค่ะเออได้ปีกวิเวกได้อยู่คนเดียวไม่ยุ่งกับใครนะค่ะ ม, มีอะไรจะถามให้วันนี้ วันนี้ไม่มีค่ะหนูรู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรว่าง <Okay. S 2> เพราะว่าเพราะว่าจริงๆสมาธิเข้าง่ายแต่เจริญปัญญายังไม่เก่งมากอะค่ะพระอาจารย์ตาตนร่างก็สุภาพเนี่ ย, ยแล้วค่ะแล้วก็ปฏิกูลอาหาทของปฏิกูลค่ะวันนี้ จะพยายามไม่มากขึ้นค่ะเพราะว่าตอนนี้เรื่องทางโลกก็เยอะพอสมควรแต่ดีว่ามีทำทาไม่ง่ายขึ้นในการหลักเมือค <Okay. Yeah. S 2> ่ะโอเคสา้าถูกค่ะที่สมชายต่อเลยนะคุณสมชายิดใหม่หน่อยอน <Okay. S 1> uh ิ้อนิวไมโครโฟนครับก uh, ล่าวการศาระอาจารย์ครับอาจากที่ภคมณสมชายจากกรุงเทพอนครนะครับอาจารย์เช uh, ิญ ได้ฟังพระอาจารย์ก็สองสามครั้งแล้ววันนี้ก็กำลัเป็นครั้งที่สามอย่างนี้ครับอาจารย์เ อ, อเวลานั่งสมาธิเนี่ยดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยครับสักพักหนึ่งหรือสักระยะหนึ่งบางครั้งเนี่ยลมหายใจมันมันหายไปนะครับทีนี้ช่วงเนี้ยมันเอาส่วมันหายไปแล้วมันต้องทํำยังไงต่อครับก็ดูเฉยๆไปดูความว่างไปดูดูว่าคิดหรือเปล่าอยาดูว่าคิดหรือเปล่า ถ้าคิดก็อยู่คิดอย่าให้มันไปคิดให้ให้ดูเฉยๆให้ดูความว่างไปก็ก็ดูมันอย่างนั้นอ่าเดี๋ยวเราก็กลับมาบางที่ลงมันแผ่วมันเบาแล้วจับไม่ได้เดี๋ยวค่อยดูที่เดิมแล้วดูตรงตรงไหนก็ดูตรงจุดนั้นที่ปลายจมูกก็อยู่ตรงนั้นนะดูที่ปลายจมกต่อไปไม่ต้องไม่ต้องขึ้นไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปคิดอะไรเดี๋ยวมึก็เห็นเ ถ้าไม่เห็นเดียวมันก็ดูเองอ่ะไม่ต้องอย่าไปเปลี่ยนที่อย่าไปเปลี่นจุดที่เราดูโลนก็ดูแบบนั้นไปเรื่อยถ้าเกิดมันหายก็คอยดูมันมันมันมาก็ดูอยู่ตรงนั้นนะครับอาจารย์ใช่ไหมครับไม่ต้องมันหายก็ดูมันหายมันมาก็มันนัวมันมามันอาจจะหายใจยาวแล้วก็ทั้งหายใจเข้าไปแล้วนานก่อจะออกมาทั้งอย่งนี้ก็ได้อืม แล้วมันมีขั้นอะไรต่อไปไหมครับอาจารย์เพราะบางทีผมก็ไม่รู้บางทีําไปมันก็เจออยงเงี้ไม่มีขั้นขั้นก็คือให้ดูเฉยเฉยเฉยเฉยอย่างนั้นใช่ไหมครับให้ดูเฉยเฉอยากไปทําอะไรขั้นของสมาที่ต้องการหยุดไม่ต้องการทําอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องการคิดไม่ต้องอะไรต้องการจะดูเฉยเฉยให้ดูเฉยเฉยดูดูสภาพที่มันเป็นจริงขณะนั้นว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับใช่ดูลมดูลมอย่างเดียวอย่างไม่ต้องไปดู อยู่ที่ปลายจมูกดูเรื่องมอย่างเดียวอ๋อครับยังไม่ใช่ถึงเวลาปัญญาถ้าปัญญาก็ดูอยู่ทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ไม่มีตัวตนแต่การทำสมาธินี่ไม่ใช่เป็นการไม่ใช่เป็นการทำปัญญาคนละคนละวิชากันคนละตอนกันทําสมาธินี้ทำการให้จิตนิ่งอยู่จุดเดียวอยู่ที่ปลายจมูกอยู่ที่ลงอย่างเดียวอ๋อครับ นี่เพิ่มเติมอี้หนึ่งครับอาจารย์คือเวลาเดินเนี่ยบางครั้งมันก็ไปดูเดินมั่งดูลมบ้างผมก็ก็กังวลว่ามันดูอะไรกันแน่หรืดูจุดไหนหรือดูลมเหมือนเดิมครับอาจารย์ก็พยายามถ้าเดินอย่าไปดูลมมันดูยากดูเท้าดีกว่าดูเท้าดีกว่าใช่ไหมครับมันง่ายกว่ามันชัดกว่าก็บางทีมันก็วิ่งไปวิ่งมาผมเอ้ยตรลงตรงไหนให้ดูที่เท้าดีกว่าให้อยู่กับที่เท้าซ้ายขวาซ้ายขวาไป ดูกดารเคลื่อนที่ของเท้าอะไรเงี้ยอ่าไม่ต้องละเอียดมากก็ได้รู้ตอนนี้นกําลังก้าวเท้าซ้ายก้าวซ้ายขาเท้าขวาก็ว่าขวาไปก็อ๋อครับผ ม, มก็ไปพยายามปฏิบัติเนี้ยะก้าวจะมาเดิ น, นบ้างนั่งบ้างแต่ก็บางครั้งก็อาจจะหายไปหรือหรือมันหายบางครั้งมันเปความรู้สึกอย่างนั้นนะครับก็เลยก็เลยโชคดีวันนี้เปิดมาก็ได้สู่พระธรรมประจารย์นีครับถามได้ครับมีโอกาสก็เข้ามาถามได้ พยายามจะมีอย่างนี้ประมาณอาทิตย์ละครั้งหนึ่งเนี่ยช่วงระหวา่างกลางอาทิตย์เนี่ยไม่อําคารกับพูดพฤหัสอะไรทำนองนี้ก็หยุดแล้วว่ามันไปตรงกับวันพระหรือไม่ครับอาจารย์ อ, อนะเดินจงกรมก็ให้มีสติรู้อยู่กับเดินก็ได้หรให้ทําพุโทโธรไปก็ได้อต่าย่าดูลมลมลมลมันยากลมนี่เหมาะสำหรับเวลานั่งอย่างเดียวอ๋อครับนะ จะได้มีหลักเครับตอนนี้เราต้องการให้จิตนิ่งไม่ให้มันเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนให้มันอยู่จุดเดียวยังไม่ต้องไปทางปัญญาปัญญานี้ยังอีกไกลอยู่นะไอคอนหนึ่งก่อนให้จบคอนหนึ่งแล้วค่อยไปขึ้นปอสองต่ออ๋อครับครับได้ครับอาจารย์โอเคนะครับครับผมขอบคุณพระอาจารย์ครับคุณธีรพัฒน์คุณออมใช่มันธีรพัฒน์ เอ่ันนมิลก่อนใช่เจ้าค่ะอมีอะไรจะพูดไหมไม่มีเจ้าค่ะนี่คือทีมงานหนึ่งในทีมงานที่ช่วยถ่ายทอดสดเป็นประจําอยู่วันนี้เข้ามามามาดูบรรยากาศเนาะมาฟังกันมฟังกันฟังกันเจา่ะตอนนี้ก็รู้สึกคบกันทุ่คนแล้วเนี่ยทีนี้ใครอยากจะพูดต่อก็ยกมือเอาไว้แกันนะ เห็นเห็นมีคำถามทางเฟซบุ๊ก น, like นะฮะคุณหลาเออเชื่อยเออคำถามจากเฟซบุ๊กนะคะจากคุณพานิลิสค่ะถ้าเรามีเสียงในจิตเราผูดออกมาว่าตอนนี้เรากำลังดำเนินไปในทางที่ไม่มีอนาคตเสียงที่ผุดออกมานี้เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่และเราต้องทำเช่นไรต่อไป ค, คะก็ไม่ต้องไปสนใจมันมันเป็นความที่ปรุงแต่งอ ดูความจริงอย่าไปดูความคิดความคิดที้มันหลอกเราได้คิดว่าเราเป็นนายุก็ได้คิดว่าเราเป็นพานาทิปดีก็ได้แต่เราก็ต้องดูความจริงว่าเราเป็นตามที่เราคิดหรือเปล่าอย่ยไปสนใจกับความคิดมากจนเกินไปให้สนใจอยู่กับความความจริงแล้วเราพยายามควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้ เพื่อคิดต่อไปมันจะให้วม่ไปคิดเพอเจอ้อคิดหลอกเราแต่มันคิดตามความจริงที่ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตใจเราเป็นจิตวิญญาณที่มาอาศัยเกาะร่างกายชั่วคราวเดีย๋ยวร่างกายนี้ก็ตายไปลราก็ต้องไปต่อไปอยู่ในโลกทิพย์ต่อไปเป็นเทวดาไปเป็นเปรตแล้วแต่บุญหรือบาป ท, ที่เราทำไว้ ต่ตตอไปคำถามที่สองเจ้าค่ะโยมเป็นคารวะใจโยมมีรูปลักษณ์ของพระวิสุทธิเทพขึ้นเสมอโยมรู้สึกรักท่านและมีความรู้สึกว่าใจเราอบกอดท่านไว้แล้วอบอุ่นมากโยมจะสามารถบูชาองค์ท่านขนาดองค์ท่านเท่าคนจริงไว้ที่บ้านได้ไหมครับมันจะเกินวิสัยและเหมาะสมหรือไม่ครับ ไม่ควรที่จะบูชาวัตถุของควรจะบูชาอด้วยปฏิบัติบูชาดีกว่าเบูชาความสงบดีกว่าจริสติพุทโธพุทโธเพให้จิตสงบดีกว่าความสงบนี่แหละเป็นสานะเป็นที่พึ่งของเราที่แท้จริงถ้าไปมีวัตวัตถุเนี่ยก็ลํางแบกไปด้วยไปไหนมาั้นก็ต้องคอยแบกไปด้วยเวลาไม่มีก็จะรู้สึกหนารู้สึกขาดอะไรไป อยากถ้เราฝึกสติฝึกจิตให้สงบนี่เราไปไหนมันก็ไปกับเราทำให้เรามีที่เพิ่งทําให้เรามีความมั่นใจมากกว่านั้นอย่าไปพึ่งสิ่งภายนอกให้เพึ่งสิ่งภายในที่มีอยู่ในใจเราก็มีสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือสติปัญญาที่จะทําให้เราได้ความสงบได้ความสุข ค ำ, คำถามต่อไปจากยู u ู e เจ้าค่ะเป็นชื่อภาษาเกาหตั้งแต่วันที่ผมฝึกรู้ผัษสะอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตที่เคยแข็งกระด้างมันกลับอ่อนนุ่มขึ้นครับจากเมื่อก่อนติดเพ่งกระสินมากแต่ทำไมสมาธิที่ผมเคยฝึกมามันถึงดับไปครับ คือกะสินที่เคยได้ทำไมเขาหายไปครับผมพยายามจะน้อมนึกถึงภาพกระสินให้คืนมามันก็ไม่ได้คืนคล้ายๆกับว่าจิตของผมมันไม่มีความดักแบบนั้นอีกครับควรแก้ไขอย่างไรครับก็มันไม่มีสติท่านนั้นมีสติมันก็สามารถระลึกถึงกระสินนั้นได้เก็ต้องถ้ายัางอยากจะใช้กระสินนั้นอยู่ก็ต้องพยายามนึกถึงมันอยู่เรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็โผล่กลับขึ้นขึ้นมาถ้าไม่นึกถึงมันมันก็ไม่มาเมื่อก่อนนึกถึงมันอยู่เรื่อยๆมันก็อยู่กับเราพอเราเลิกนึกถึงมันมันก็จะหายไปของพวกนี้มันอยู่ในความคิดของเราอยู่ในความนึกคิดของเราพอเราไม่นึกคิดมันก็หายไปแม้แต่พุทโธนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่นึกไม่คิดเดี๋ยวมันก็หายไปได้อยากจะได้อะไรก็ต้องนึกคิด เหสิ่งนั้นเื่อยๆมันก็จะกลับมาต่อไปคำถามหมดแล้วยังออมีคำถามที่สองเจ้า่ะเวลามีสิ่งที่มากระทบแล้วอิเลเตอร์พอมันเกิดมากๆมันก็ทุกมากๆรับจนวันหนึ่งจิตของผมก็ดีดออกมามันเกิดความสว่างแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนตั้งแต่วันที่จิต ด, ดีดออกจากก้อนพลุ ผมจะต้องทําอย่างไรต่อดีครับก็อย่าให้มันกลับเข้าไปเลยถ้ามันออกมาจากกองทุกข์ได้แล้วก็อย่าให้มันกลับเข้าไปพยายามไมัน่ไปก้องทุกข์อย่าไปทุกข์กับอะไรพยายามดึงจิตให้ออกจาก้องทุกข์นะอย่าเข้าไปหามันหมดแล้วยังอ้าวเจ้าครับ อ่าเวลาคุณเป็นเจ้จเจ น, น, น, น้าที่คุณเนเจน้าที่จาชนบทใช่ไหมค่ะกล่าวค่ะอาจารย์อ่าเป็นยังไงสบายดีเนอะสบายดีนะคะมีอะไรจะถามไหมคือตอนนี้หนูมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่พอปฏิบัติแล้วค่ะพระอาจารย์มันยิ่งเห็นความไม่ดีแบบยิ่งเยอะขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นนะคะพระอาจารย์แล้วมันมารู้สึกดิ้นนะคะ เราก็ใช้สติหยุดเป็นสิ่งเวลามันดิน้นพุโทโธพุทโธไปโดยบอกว่าเป็นสิ่งที่เราต่อไปต้องชำระการปฏิบัติจกาเพื่อกําจัดสิ่งที่ไม่ดีที่มีในใจของเราเราก็สร้างสิ่งที่ดีขึ้นมาแทนคือกําจัดความโลภความโกรธออกไปแล้วก็สร้างสิ่งที่ดีสร้างพลัคงความดีสร้างเมตตาการรมนัขึ้นมาแทนสขอบค่อาจารย์ ใจเราก็ไปอยู่ในห้องต้อาเวลาทำภาชนาแล้วก็ดูเลยอันใดมันฉกกระบอกเป็นขยะแล้วก็ไปทิ้งอยเ่เก็บมาไว้อันไหนดีแล้วก็เก็บมาไว้ถ้าไม่มีของดีก็ไปหาออกมาใส่ในห้องของเราไม่ต้องไปโกรธตัวเองว่าเราไม่ดีอย่างเมื่ออย่างนี้ถ้าถ้าดียังไม่มาเกิดเราถ้ายังมาเกิดนี่ก็แส ด, ดงว่าไม่ดีนะทุกคนที่มาเกิดมันมีของไม่ดีในใจเยอะแยะเล เป็นหน้าที่เราไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้อบไปโกรธหน้าที่ของเราจะ ม, มีคอยกับจัดความไม่ดีในใจร้ายมันหมดไปนะเจ้ขาขาะอาจารย์มีอะไรไหมไม่มีเจ้ขาขาโอเคเห็นท่านต่อไปคุณพรชัยคุณพรชัยช่วยเปิดไม้ก็พ้นก่อนคุณพรชัยต้องเปิดไม้ออกมาจากที่ไหนอยที่ไหน คือระยองครับอาจารย์ครับเออมีอะไรจะถามไหมอ๋อไม่มีครับมาฟังคุณเใจมเลยครับผมเมื่อวันอาทิตย์ไปไปที่ไปกราบอาจารย์มาครับอาจารย์จะดังตีเลยมาทําทําที่คุณตีเลยครับผมเพื่อนไปครั้งใหญ่ตอดคอตัดคอให้ท่านต่อไปคุณศพนา มีอะไรอยากจะพูดไหมอันนิ้วกันทักทายสวัอ่วนนิ้วกันยังไม่อนนิ้วโอเคอ ก, อ ก, การกการับรกัน้าค่ะจะบรรณามาฟังเจ้าค่ะโอเคไม่มีอะไรจะถามนะไม่มีเจ้าค่ะเสาร์ทิศนี้กะว่าจะไปหาพระอาจารย์ค่ะน่้เชิญนะเดี๋ยวไปท่านต่อไปนะค่ะคุณรัก จาวันใช่ไหมไอโฟนเปิดเปิดไปก่อนอนนี้ออกอาจารย์สวัสดีคจ้าค่ะรักษาสวรรค์ค่ะรักษาสวัสด์ค่ะเป็นไงเจอจอกับเจอจางฮุ่ยจีงานดีกว่ากันดีกว่าไม่เจอเลยเจ้าค่ะวันนี้หนูเพิ่งโอ้ยกว่าจะเสร็จงานกว่าจะทานข้าวเสร็จค่ะคือไม่เคยทันเลยเจ้าค่ะส่วนใหญ่บางทีก็ ดูอยู่ตอนขับรถเพราะว่างานเยอะค่ะเจ้าค่ะแตจะ่จะมากราบพระอาจารย์ว่า เ, เมื่ออาทิตย์ก่อนพื้นหนูเพิ่งเข้าไปทํางานที่ใหม่แล้วก็เขาก็มีให้แนะนําตัวแล้วก็ให้บอกว่า เ, เราเป็นยังไงไลฟ์สไตล์เป็นยังไงชอบทําอะไรอย่างนี้หนูก็บอกว่าถ้าเมื่อไรหร่ที่หนูยุ่งยุ่งหนูก็จะไปที่วัดญาณไปฟังเทศแล้วก็ไปภาวนาก็มีน้องๆที่บริษัทเขาก็ ตื่นเต้นมากแล้วก็ถามว่าอยู่ที่ไหนเอ่อแล้วก็มีบางคนที่รู้จักพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะแล้วก็เคยมาฟังเทศด้วยหนูก็รู้สึกว่าดีใจที่คนที่ออฟฟิศก็ยังมีคนที่สนใจทางนี้อยู่แล้วก็อยากที่จะมาปฏิบัติด้วยนะคะ ด, ดใช่ก็ดีใจได้คนดีได้คอบคนัีชอบสิ่งเดียวกันค่ะ ก็หนูมีเรื่องเรียนถามพระอาจารย์ค่ะคือเอหนูได้ได้รับจีวรของหลวงปู่ชอบมานะคะจากคุณป้าคุณป้าได้ได้มาจากหลวงปู่ชอบท่านท่านให้อีกทีหนึ่งทีเนี้ยหนูรู้สึกว่าอยู่กับหนูก็ก็อาจจะไม่ได้มีมีประโยชน์สักเท่าไหร่ห น, หนูมีแผนว่าหนูอยากจะนําไปให้ในไปไ ป, ไปมอบให้พระอาจารย์จรนเรียนที่ ที่วัดทํามสาหายะค่ะเพราะว่าทราว่าท่านจะสร้างเจดีแล้วก็อาจจะคงจะมีที่บรรจุอะไรที่เป็นเอ่อมิวเซียมหรืออะไรต่างๆค่ะพระอาจารย์หนูไม่แน่ใจว่าเอ่อท่านหนูเป็นผู้หญิงแล้วถือจีวรของของท่านไปเนี่ยมันสมควรหรือเปล่านี่หนูไม่แนไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะจีวรก็เป็นผ้าค่ะก็ก็ให้เรียบร้อยแล้วกัน ค่ะค่ะค่ะเขาคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นมากกว่าที่ที่จะอยู่กับหนูจะไปบรรจุในพิพิัณฑ์ได้คดีใช่ค่ะหนูก็คิดอย่างนั้นีนี่เราจะยืนยันต้องเป็นของนองปู่ชอบได้ยังไง่ะก็หนูก็จะไม่เชื่อเราสเข้าวก็จะไม่เชื่อเราปู่ะอันนี้ก็สุดแล้วแต่หนูคิดว่า อาจารย์เรียนท่านน่าจะน่าจะทราบได้แ้วค่ะท่าคงไม่ปฏิเสธแต่ท่านคงรับแตลท่านอาผงรับและท่านคงไม่พิจารณาอีกทีคิดว่าตางเหมาะสมค่ะเราก็ทำแล้วก็ทาส่วนทีเราไปก็ล้กันแล้วก็ ม่บให้ท่านไปส่วนท่านจะทํำยังไงก็เป็นให้ท่านพิจานั่ใช่ก็ก็ค่ะคือขึ้นอยู่กับท่านดีกว่าค่ะอยจะไปบังคับท่านมาขอให้เป็นบัรจุตรงนั้นอ๋อคงไม่หนูก็ไม่กล้าเจ้าค่ะจะให้ของใครนี่อย่าไปบังคับเขาค่ะให้เขาแล้วก็ปล่อยให้เป็นสิทธิ์ของเขาให้เขาจุดแล้วแต่จะพิจารณาค่ะได้บุญมากค่ะถ้าไปบางคับนี่มันยังแล้วไม่ได้ให้ไปใช่เขาบางกว่า S <S อ๋อค่ะค่ะจะาถา ม, ม <S 2> <S 2> ค่ะค่ะเวลาจะถามมั้ยเก้ยังจะค่ะเอาเท่านี้ก่อนคนอื่นจะได้ได้ถามบ้าง <S <S างั้นใครอยากจะถามก็ยกมือได้นะเพราะรู้สึกว่าเปิดโอาากาสให้ทุกท่านได้ได้ถามหนึ่งค่ะคุณลุง Facebook เจ้าค่ะ Facebook ก, ก่อนอเานาะแล้วคำถามแบบคุณสิทที่สามเจ้าค่ะ เ, ออเวลาทําสมาธิง่วงแล้วล้มตัวลงนอนไปก็จะได้ยินเสียงมีมาเคาะประตูแต่พอเปิดออกไปก็ไม่เจอใครหรือบางทีก็มีเสียงเหมือนมาปุกก่อนที่จะไปทําวัดเช้าเกิดจากการปฏิบัติหรือเปล่าครับเสียงที่ได้ยินคืออะไรใช่วิญญาณอะไรหรือเปล่าครับไม่ออล่ะเป็นเรื่องของจิตเราจิตเราปรุงแต่งไปให้รู้ว่ามันเกิดแล้วดับ ไม่ต้องไปสนใจผ่านไปแล้วเป็นอนดีตไปแล้วให้รักษาสติจิตให้เราเป็นปกติเฉยไว้ไม่ต้องไปคิดว่าเป็นผีเป็นวิญญาณเป็นอะไรทั้งสิ้นถ้ามันเป็นต้องคุยกันได้ถ้าเป็นวิญญาณก็ถามมาจากพบไหนภูมิไหนคุยกันได้ชันไปได้ถ้ามาแบบแวบๆละหายไปก็แสดงว่าเป็นการปรุงแต่งของจิตเรายังไม่ต้องไปสนใจมันมาแล้วหายไปแล้วก็ หวนไปเป็นเหมือนฟ้าแลบพอฟ้าแลบแล้วมันก็ผ่านไปอันนี้ก็เป็นเหมือนฟ้าแลบมันเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึง่งทางจิตใจไม่ต้องไปกังวลนะอคําถามต่อไปค่ะอจากคุณเกรงไปค่ะปฏิบัติามาระยะหนึ่งเหมือนหลังทนฝาเพราะเห็นทุกข์เยอะขึ้นและเวลาที่สติอ่อนก็จะทุกข์มาก อยากขอคําแนะนําวิธีการที่จะรักษากําลังสติระหว่างวันให้ดีขึ้นครับก็เมันพยายามจะรักสติอยู่เรื่อยๆจะท่องพุทโธไปก็ได้จะท่องกถาไอทีปิโสไปก็ไดไ้จะคอยเฝ้าดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังทําอะไรก็ทําไปกับร่าง ก, กายอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็สติก็จะมีมากขึ้นแนะใจก็ย้ํา ว่าใจก็จะเย็ยนมากขึ้นสบายขึ้นไปเองไม่มูกแต่งมากไม่เอาเรื่องต่างๆมาแบบให้หนักหกหนักใจใช้คโถเครียมันออกไปใช้การสวดอิติปิโสเคลียมมันออกไปก็ได้ดแลวหลายคนนะวนี้ทาถาหมดแล้วเจ้าค่น ะ, มม ะ, ะคนละเวิย น, นคนละเย้คนลเวินจะถามค่ะกาบพระอาจารย์ขาหนูขอ เรียนถามพระอาจารย์เรื่องถ้าจะฝึกในขั้นวิปัสนาขั้นอนาคาเมียค่ะจะต้องพิจารณาศึกษาอย่างไงบ้างเจ้าขาเออก็ต้องศึกษาสุภาดูความไม่สวยงามของร่างกายของคนที่เราหลงรักที่อยากจะได้มาเป็นแฟนที่อยากจะไปร่วมหลับนอนกับเขาเนี่ยเราต้องมองให้เห็นอาการากต่างๆภายใต้ผิวหนังนี้เช่นเห็น เห็นเนื้อเห็นเนื้อเห็นเอ็นเห็นกระดูกเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นลาไส้เห็นสมองเห็นหน้าต่างๆเพื่อการ32เนี่ยต้องฝึพิจารณาการ32เรื่องนึกถึงการที่ร่างกายตายกลายเป็นซากศพไปสมัยก่อนซากศพก็ไม่เอาไปเผาเอาไปฝังก็ปล่อยให้มันเน่าเปื่อยมีศ20ชนิดก็เรียกอสุภาษิต ก็ไปดูในสติปัฏฐานสี่ได้ท่านจะแสดงว่าศพขึ้นพองขึ้นอืดขึ้นพองศพเขียวช้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีขั้นตอนของมันแล้วกระทั่งศพเหลือแต่โครงกดูอันนี้ก็เป็นการดูร่างกายที่เราไปลหลงไหลที่ว่าสวยว่างามว่าหล่ห อ, วหอว่าเหลาอะไนี่ในที่สุดมันก็กลายเป็นชาติศต่อไป ถ้าเกิดคนที่เราเลิกเราชอบเกิดเกาไม่หายใจแล้วเราจะอยู่เข้าหรือเปล่ายันย่อห่วงยังจะห่วงเขาหร่าไม่ห่วงเลยใช่มหมยกให้สักบเปลยได้เลยใช่ไหมถ้าเกิดเขาไม่หายใจแล้วพอเป็นทราบสมแล้วกว่าไม่มีความสวยงามเหลือองค์เล็กต่อไปยังต้องดูว่ตอนที่เกิดอารมณ์ เราเกิดอารมณ์เราคิดถึงซากศพที่เราเป็นซากศพเดินได้ยังหายใจได้มีคิดว่ามีอาการตาที่สองที่ไม่สวยไมงามอยู่ภายใต้ผิวหนังที่หน้าเขาสวยแต่ใต้ใต้ใต้ผิวหน้าเขามีอะไรไหมเห็นไหมเห็นกระโหลกศีรษะรึเปล่าพวกเรากางคนมีกระโหลกศีรษะรึเปล่าแต่ไม่เห็นไงนะเพนราะไม่หันไม่หันมองกันมันก็ไม่เห็ น, นหันกลับไปด นึกถึงภาพกะโหลกศีรษะมันอยู่มันอยู่ตรงไหนในส่วนของร่างกายเรามันก็ตรงที่หน้าเราเนี่ยเลวลาเราดูกระจกเนี่ยพยายามนึกถึงไอท้ที่ผิวหนังนี่มันหุ้มห่ออะไรอยู่อะผิวหนังเราหุ้มห่ออะไรก็หุ้มหอ่อกะโหลกศีรษะอย่านี้เ้องพยายามมองให้เห็นกะโหลกศีรษะแล้วเวลาเห็นใครหน้าตาสวยงามหล่อเหลามันจะเด้บอกว่ามันก็แค่เป็นหนังเท่านั้นเหนังหุ้มหอ่อกะโหลกศีรษะ เนี่ยรียกว่าสุภาอแตอ่างนี้แล้วความลอกความคล้มันก็จะไม่มี เ, เราก็จะเร า, มาโมอาจอาจจะมโนภาพเป็นซากศพขึ้นมาเลยก็ได้ถูกไหมคะถูกมอาจาอย์ใ่ยังไงก็ได้ที่จะทําให้เราตัดความความลอกความคล้ายได้ถ้าถ้าไม่ได้ติดเขาในเรื่องรูปร่างหน้าตาแต่ติดเรื่องความผูกพันทางใจต้องตัดยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์ อ๋อก็ความตายไงอยูเ่เยวก็ต้องจากกันอยู่ดีทุกคนในที่สุดก็ต้องจากกันไปอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันไปตลอดดีขนาดไหนครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายที่เราผูกอันท่านในที่สุดท่านก็ไปพอไปเราไม่ได้อยู่ไม่ได้เห็นหน้ากายท่านต่อไปเราก็เลยืมลาจาก พยายามตัดแต่มันจะเสียใจอ่ะค่ะพระอาจารย์เพราะจิตเราไม่สงบเนี่ยยังไม่รู้เบรกขาถ้าไม่รู้เบรกขามันก็จะเฉยเฉยนะเพราะก่อนที่จะใช้ปัญญาตัดมันต้องมีสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธิมันเวลาจะตัดมันเสียใจมันก็ตัดไม่ลงพอเข้าสมาธิมันออกมามันหายแต่เดี๋ยวมันก็เป็นอีกแล้วอะค่ะพระอาจารย์ก็ต้องทำบ้างทำยังไงาต่อไปเวลาออกจากสมาธิมันยังอยู่ต่อ กุเบกาที่ถ้าทำน้อยนออกมาออกมาแป๊บเดียวมันก็หายแล้วแต่ถ้าทําทั้งวันทั้งคืนนี่เนี่ยออกมามันก็ยังอยู่ต่อเพราะว่ามันถึงพอมันหายแล้ ว, วก็กลับเข้าไปเติมใหม่หายแล้วก็กลับเข้าไปเติมใหม่เรื่อยๆแล้วก็สลับกับการพิจารณาอาสุภะที่แม่ครี้พอาจารย์สอน <S <S แล้วก็เรื่องความตายเรื่องความพัดภาคใช่ พอต่อไปมันจะเวลาคิดแลมันรูกเฉเฉมันรู้สึก้ามันรู้สอะไรพระอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดสติแยกกับเออเอเหมือนอารมณ์กับจิตมันแยกออกจากกันพอสมควรนะคะแล้วบางทีอย่างเช่นขับรถเห็นอ m b u l a n c e w ิ่งเนี่ยข้างในใจเราเนี่ยมันสงสารมันทุกข์ไปกับแบบแต่มันก็ไม่ได้ไป็นเป็นกับเขาอะนะคะแต่รู้สึกสงสารแล้วมันสะเทือนข้างในมันเห็นความทุกข์ที่มันแยกจากกัน ก็ยังยังไม่ยอมรับความตายยังไม่ยอมรับความแก่ความเจ็บของร่างกายว่าเป็นธรรมดาแต่สงสารเขาอะค่ะพะระอาจารสงสารก็สงสารก็มันก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่มีเบิกขาเนี่ยคหนูเห็นจิตแยกจากอารมณ์อย่างชัดเลยอะค่ะว่าแต่พอเรากลับมาตั้งที่ฐานกายข้างในเนี่ยมันก็เย็นสงบสุขแล้วก็สติมันก็มันก็เข้าสมาธิได้ง่าย อย่างรวดเร็วเลยค่ะพระอาจารย์อเห็นไลน์ก็ให้เห็นเฉยๆดูเฉยๆเพราว่าต้องฝึกดึงกลับมาอยู่ที่ฐานค่ะต้องฝึก บ, บ่อยๆต่อไปมันก็จะรักษาใจให้อยู่ที่ฐานได้ถึงแม้จะออกมาข้างนอกก็ยังยังดึงกลับเข้าไปได้อย่างรวดเร็วเวลาเกิดมีอะไรขึ้นมาค่ะหนูค่ะหนูเข้าใจนะเจ้าค่ะออื พยายามฝึกให้กลับเข้ามาที่ฐานกลับมาที่อยู่ในขาบ่อยๆแล้วต่อไปเวลาไปเจอเหตุการณ์อะไรก็ดึงมันกลับเข้ามาได้ทันทีพอมันสงสารมันเศ้ามันดึงมันกลับเข้ามาทันทีมันวืดแล้วมันเหมือนเราเข้าง่ายค่อยเข้าถอยออกเหมือนเข้าประตูออกประตูออกห้องอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะอยิ่งทําบ่อยๆยิ่งยิ่งชำนาญไงเหมือนขับรถอ่ะหรือเมันทําอะไรต่างๆถ้าทำไปบ่อยๆแล้วมันจะชานาญ มันจะตระหนกว่ามันเย็นสบาย จ, าจนไม่อยากจะออกมาทําอะไรเลยเจ้าค่ะนหละมันจะไปบวชแล้วอะไรนะจากนั้นก็จะทิ้งทุกอย่างไป <c oughs> มีภาระหน้าที่มากอยู่เจ้าค่ะ <c oughs> ก็ถ้ามันเย็นจริงมันก็ไม่เอาอะไรแล้วมีอะไรดีกว่าความเย็นนู่ในโลกนี้ไม่มีแล้วเจ้าค <c oughs> ่ะภาระหน้าที่ก็มีแต่ความร้อนแต่ความทุกข์ใช่ไมหอ ยังไม่ใช้บรญญาตันนี่ยังไปรักไปหวงไปยังคิดว่าเป็นเราของเราอยู่ค่ะถ้าเห็นว่าไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขามันแค่ธาตุสี่ในน้าลมไฟก็ตัดได้มันเห็นมันเห็นชัดเลยค่ะว่าควา ม, มความที่อยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์ยศตําแหน่งหน้าที่มันมันเหมือนทําไปมันไม่รู้จะทําไปทำไมแต่ก็ต้องทาําับนัเวลานี้ทําไปก่อน แต่้ายังดานไม่ไาไยากอ่ะก็พยายามอย่าไปยืดไปติดมันก็แล้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะถ้าใครอยากจะถามก็ยกมือพูดเลยเปิดไมค์คุณละมีคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะจากคุณสันติคลราวาสามารถ ถ, ถือศีลแปดอยู่บ้านได้หรือเปล่าครับได้ ศีลอยู่ที่กายวาจาใจเราไม่ได้อยู่ที่บ้านหรือที่วัดนะการรักษาศีลนี่รักษาที่กายวาจาใจของเราเนี่ยแต่ว่าสถานที่อยากจะเอื้อต่อการรักษาให้มันง่ายขึ้นและยากขึ้นอยู่บ้านอาจจะรักษายากเพราะสิ่งแวดลมมันคอยมาอดึงให้เราไปผิดศีลเดี๋ยวก็ทีวีเดี๋ยวก็ข้าเย็นเนี่ยชือศีลแปดเนี่ยวมันก็ตับบ่าแตกสติแตกรักษาไม่ได้ แต่ถ้าดวมไ ม, มว น, นไมันไต่อไปจากคุณจิตหนึ่งเจ้าค่ะทำไมเวลาที่เรานั่งสมาธิหรือสวดมนต์เราถึงเห็นความคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ผุดขึ้นมามากมายกว่าปกติเราควรทำอย่างไรต่อไปคะถ้าเราทำถูกทางความคิดควรต้องน้อยลงใช่ไหมเจ้าพะ ก็เวลาเริ่มต้นเสตยจเรายังน้อยอยู่ความคิดมันก็ยังมันก็ยังมีอยู่ก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วก็ให้อยู่กับการสวดมนต์ของเราไปการดูลมของเราไปส่วนความคิดมันจะคิดก็เป็นเรื่องตกค้างอยู่ในใจต่อไปมันก็จะหายไปถ้าเราจดจ่ออยู่กับการสวดกับการดูลมหายใจของเราแต่ตอนเริ่มต้นมันก็จะแข่งกันก็ไม่ต้องไปสนใจ ถามต่อไปจากคุณปนัดดาเจ้าค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ทำไมเรานอนแล้วรู้สึกได้ยินเสียงตัวเองกรนก่อนที่เราจะตื่นประมาณสามวินาทีเจ้าคะก็มันได้ยินก็ได้ยินเลยมาถามมันทำไมต้องทำไมด้วย่ะก็มีเท่านั้นนะมันได้ยินก็รู้ว่ามันได้ยินกันแล้วกันไม่ต้องไปถามมันทาไมหรอกแล้วก็ปล่อยวางให้รู้แล้วก็ปล่อยวางว่าตอนนี้เราเก่งแน่ เตืนก่อนตื่นเนี่ยก็เลยบอกเตืนก่อนเตื่นไงใช่ไหมมีสติก่อนก่อนที่จะรู้สึกตัวขึ้นมาสติมาก่อนมันก็เลยรู้ว่ากำลังกลนอยู่ก็เท่านั้นแหละก็ไม่มีอะไรวิเศษวิโศหรอกไม่ต้องไปสนใจหมดแล้วเหรอคำถามตอไปจากคุณนูนเจ้าค่ะแบบนพสัศ ก, การพระอาจางค่ะคุณพ่อถามเรื่องว่า ตายไปแล้วจะจําได้อย่างไรจะจําความทุกชาติเต่าได้อย่างไรเจ้าค่ะกเมื่อวานนี้กินอะไรยังจําไม่ได้แล้วจะไปจําชาติก่อนได้อย่างไรคนต้องมีความจําดีๆถึงจะระลึกชาติได้ถ้าความจําไม่ดีก็รับรู้ไม่ได้มันอยู่ที่ความจําของแต่ละคนคนบางคนความจําดีเนี่ยใครยืมเงินไปยังไม่จ่ายมาสิบยี่สิบปีก็ยังจําได้ จับท่านเดิมเจ้าค่ะออถามว่าอยากจะขอคำอธิบายเรื่องวัดอสงสารและความทุกข์การเวียนว่ายตายเตือเจ้าค่ ะ, ะพวกเราเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่มาเกาะร่างกายร่างกายก็เป็นมนุษย์ตอนนี้มันก็เป็นภพหนึ่งภพมนุษย์แต่เดี๋ยวร่างกายนี้ตายไปดวงวิ ญ, ญญาณก็ไปยูยภพต่อไป อยู่พบไหนก็อยู่ที่ว่าบุญหรือบาปที่เราทำํทำทําบาป ก, ก็ไปอยู่ในอบายหรือไปได้เกิดเป็น ล, นนลนัทธิสามในราชาทําบุญก็ได้เป็นเทพเป็นพรมเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆไปอยาก็ต้องมีกลับมาเกิดใหมเ่เรื่อยๆเพราะว่ายังไปไม่ถึงขั้นสูงสุดถ้าไปถึงขั้นนิพพานแล้วก็ไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปในตายพบในสามสาวระวัต มีคนใหม่เข้ามาคนหนึ่งคุณแคนเคนคนะุณแคนเคนี่ยราจะถามไหมอยู่ที่ไหนบ่นาไม่ก่อนอนดิวครับสวัสครับอ่ามาจากที่ไหนอ๋อผมอยู่ระยองครับอาจารย์ปค <c oughs> มีอะไรไหมเอออยากถามอยู่ครับอาจารย์<ช>ถ้าเกิดเราเ อ, อปฏิบัติมากๆเนี่ยเป็นเวลานา น, านๆหกถึงเจ็ดชั่วโมงเนี่ยเราเดินไปหกเจดชั่วโมง แล้วเราหยุดแล้วเรามานั่งแล้วทำไมพอเราจะไปเดินอีกมันทํำไมเกิดความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเหมือนความขี้เกียจอะครับอาจารย์ตัวเนี้ยมันมันมันทําไมถึงเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์ก็มันก็มีคิดมีขีดความจํากัดองความเพียรของเราเนี่ยพอเราทําถึงขีดหน้วมันก็ไม่อยากจะทำนะถ้าอยากจะทําต่อก็ต้องบังคับเหมือนต้องบังคับทําต่อเหมือนวิ่งมาลาทอนเ่ะเหมือนวิ่งอะถ้าเราใครวิ่งกี่ยเราพอถึง ถึงขีดนั้นเราก็ไม่อยากจะวิ่งต่อมันการพิกัดของเราถ้าอยากจะวิ่งมากกว่า น, นั้นก็ต้องมังค้ัวใมันวิ่งต่อไปอาจารย์ครับอีกอย่างหนึ่งขณะที่เราเดินจงกรมมากๆเนี่ยเราสามารถมันเป็นสมาธิแล้วมันเป็นอ่ากรรมฐานได้เลยไหมครับอาจารย์อ๋อมันเป็นสมาธิได้นมันจะนิ่งจะไม่คิดปรุงแต่งคแต่มันจะไม่รวมแบบเวลานั่งนะ เพราะว่าจิตยังต้องทำงานอยู่กับร่างกายอยู่แต่มันจะเบาจะเย็นจะสบายนี่มันยังไม่เป็นกรรมฐานคือถ้ายังไม่เป็นปัญญาเขยาจะเป็นปัญญานี่เราต้องพิจารณาตายรักถึงจะเป็นปัญญ า, าครับอาจารย์นขนาดที่เราเดินไปเนี่ยเรารู้ว่าใจวาสังขารนี่มันปวดเฮ้ยปวดไปไมันเป็นต่ละ แยกออกมาเองอะครับอาจารย์แยกว่าเอออันเนี้ยสังขารเนี่ยมันคือดินน้าลงไฟปวนเนี่ยคือเรายึดมันไม่ได้เอาเป็นปัญญาถ้าอย่างนี้ก็เป็นปัญญาอ๋อมันมันขึ้นมาเองในขณะที่ที่เราเดินอะครับอาจารย์เออก็ได้ถ้ามันถ้ามันมันอาจจะเคยคิดมาก่อนพอถึงเวลามันก็คิดได้ของมันเองอือันนี้อันนี้ไม่ใช่เรียกสมาธิใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้เรียกว่าเป็นวิปัสสนาแล้วไปทางปัญญาแล้วขณะที่เราเดินเนี่ยนะครับอาจารย์ อด้อเดาให้เป็นปัญญาก็ได้เดาให้เป็นสมาธิก็ไดนะ้ถ้<อ>ัเดาให้เป็นสมาธิก็พุโทโธพุโทโธไปไม่ให้ไปไคิดยังไงครับพ อ, อดีเลยอาจารย์อันนี้อี ก, กนหนึงคือขณะที่ผมใช้พุโทโธเนี่ยพุโทโธเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมันมันไม่ค่อยเข้าไ ม, ไม่ค่อยสงบครับอาจารย์แต่ผมไปใช้คําบริกรรมที่มันยาวขึ้นนิดนึงมันกลับสงบได้กลับแต่เราเนื่องได้เรื่องได้ อ, ไดอันนี้มันเป็นการ มันเป็นการอ่าพิกแพงหรือเปล่าครับอาจารย์แล้วแต่ความถนัดของจิตของแต่ละคนเนี่ยบางคนไม่ชอบสั้งชอบยาวก็พุทโธตามโมสังโฆไปก็ได้พุทธังจานังกระชามิไปก็ได้ครับเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งนะอาจารย์มันกับเหมือนมันมันรู้มันมันมันยังไงนะมันคือสภาพข้างนอกแล้วเรารู้หมดแต่มันรู้แค่คําว่ามันมันจะบอกยังไงพระอาจารย์มัน คือข้างนอกใหลรู้ใหรู้เฉยๆโอแล้วแล้วจะไปไงต่อครัอาจารย์ก็ปล่อยวางเลยรู้แล้วก็ปล่อยอย่าไปสนใจกับสิ่งที่เรารู้อย่าไปแบกอย่าอย่าไปยืดอย่าไปติดอย่าไปลากอย่าไปช้ำอย่าไปกลัวอย่าไปหลงกับสิ่งที่เรารู้อืมดีนะครับอาจารย์สบายใจนะครับครับอาจารย์ครับผมครให้สักแต่ว่ารู้นะครับผมรู้อะไรก็สักแต่ว่ารู้เห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็น อย่าอย่าอยาอย่าเกิดกิเลสกลับไปสิ่งที่เราไปรู้ไปเห็นครับผมครับโอเคอ่าคนสูพัฒนาพุทธท่ามาเหรออ่านิไมคอลฮนก่อนนะคณ ส, สู่พัฒนาหมวิน<แ>ใอ่ไหมคะหมอวินอ่าหมอวินเจ้าคะพอดีวันนี้พาพาหมาไปหาหมอหพระอาจารย์วานดึกมาวังแต่พระอาจารย์ไม่ได้มาค่ะอ่า วันนี้ไม่ทันก็ค่ะอก็อันนี้เกืจะหมดเวลาแล้วชั่วโมงยี่สิบล้วย่างนี้ประมาณสิบนาทีไเอไม่มีอะไรอย่าถามใช่ไหมอก็วันนี้ไม่มีค่ะได้มีกานแล้วก็ได้มีการทาอะไรโอเคงั้นให้ท่านต่อไปใคอยากจะถามวก็ยกมือขึ้นนะคะ คุณพรชัยเลยฮะตอนนี้เปิดไมโครโฟนก่นครัเพูดรัถามว่าอย่างวันนี้ผมเลิกงานมาผมนั่งสมาธิโดยใช้การภานาพุท โ, ทรรรโรธรู้สึกว่าตอนนี้อารมณ์โกรธรู้สึกช่วงนี้จะลิดโกรธเข้ามาเยอะแล้วเห็นร่างกายตัวเองนั่งนี่อยู่แต่มันมีตัวอวที่ยุกยกอยู่ข้างในครับ นีครับมีซ้อนอยู่มองมันถ้ามันมีอะไรก็พุทโธต่อไปอย่าหยุดพุทธโทรครับผมก็พุทธโทรไปเรื่อยๆถ้ามันยังมีอะไรอยู่ก็อย่าหยุดพุทธโทรพุทธพุทธโทรไป็นยังก่อนไม่มีอะไรหายไปหมดเลยแต่ความว่างก็หยุดพุทธโทรได้เหมือนมีตัวซ้อนแล้วมันหันซ้ายหันขวาแต่แต่ไม่ต้องไปสนใจลบมันออกไปด้วยพุทโธพุทโธรพุทธโทรไแล้ว สพก็เวทนาเข้ามาผมก็เลยกก็อนัถ้าไม่อยากจะพุทธโทรต่อไปไม่ต้องไปสนใจกับเวทนาปล่อยมันมาปล่อยมันป่ายของมันน่ผมตอนหน้าเลยผมเคยปฏิบัติมานานแล้วครับแต่ว่าไม่มีใครแนะนํามีครูบาอาจารย์แนะนําก็ไม่ไปหาเลยไม่ไปหามันก็ไม่มีครูบาอาจารย์มีว่าท่านทุกทุกสมัยนะ คืออาศัยอ่านตามนัหนังสือแล้วก็สัตว์ปูบายใแล้วก็ภาวนาด้วยเัวเองตลอดมีอยู่ครั้งหนึ่งครับมันระหว่างเราภาวนาพุโทโธแต่ไม่ได้หวังอะไรผมก็เดินภาวนาไปปกติครับอาจารย์มันได้ยินเสียงเข้ามาหูแต่ไม่รู้ว่าใครพูดเหมืกันเขาไม่เป็น ไ, ไม่ต้องไปสนใจอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆ เวนะลาทําสมาธินี้ไม่ต้องไปสนใจดับด้วยเรื่องอะไรให้รู้อยู่เรื่องเดียวรู้อยู่กับพุโทโธเรื่องรู้อยู่กับลมหายใจอะไรจะเข้ามาจะอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจแล้ว ก, ก็หายไปโอเคท่านต่อไปคุณนทัท น, นนทะร์นะออพยังต่อยังเข้ามาไม่ได้อมีใครอยากจะพูดอะไรก็ยกมือแล้วก็อ่าว นะครับคือคุณลาวินโอเคอจรย์ <Okay. S 2> ่ะพระอาจารย์คะขอเรียนถามเพิ่มเติมตะกี้ที่พระอาจารย์บอกว่าเรารู้เฉยเฉยสัตว์แต่ว่ารู้ไปเฉยเฉยแล้วก็เห็นก็คือสัตว์แต่ว่าเห็นถ้าหนูเห็นหนูแยกออกมาแล้วหนูเห็นแล้วกายจิตหนูตั้งอยู่ที่ฐานกายแล้วหนูก็เห็นข้างนอกหมดเลยเห็นทุกอย่างแต่หนูไม่เอาจิตไปเกิดกลัวแล้วมันก็จะเกิดดับของมันเองอันนี้เป็นวิปัสสนาใช่ไหเจ้าคะ่ะ เป็นปัญญาญสัรูลล้เค่้ลลแล้วเราไม่ได้ไปยุง่งจิตเราไม่ได้สั่งไม่ได้อะไรแต่เราเห็นเฉยเฉยแล้วแหละว่านี่คือกิเลสแต่มันมันเป็นข้างนอกอ่าเร า, อ, าอันนี้ก็คือเป็นการเจริญปัญญาอย่าไปรักชาโกลงถ้ายังรักชาโกลัวล่าต้องเจริญปัญญาว่ามันเป็นตายรักอันนี้จย่างทุกขธรรมนักาซึ่งในขั้นเนี้ยถ้าถ้ากําลังสติสมาธิอ่อนเนี่ยมันเหมือนเราต้องใช้ความคิดเข้าไปช่วยสอนใช่แต่ มันคือมันบาทีมั น, ม, นมันใช้สติอย่างเดียวไม่พอมันต้องใช้ปัญญาเ้าไปช่วยต้องใช้ตจลักใช้สุภาใช้ปฏิกูนขึ้น อ, อยู่กับ ว, ว่าเรากำลังเห็นอะไรค่ ะ, ะแล้วจิตเราก็อยู่ตรงฐานกายแล้วก็สอนไปคือไม่ให้จิตออกไปให้จิตตั้งที่เดียวค่ะโอเคเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะกับขอบพระคุณค่ะ เหนือยขนาทีเหนื่อานาทีก็จะประมาณคุณหละต่อมีคำถามจากทางเฟ e บุ o กเจ้าค่ะจากคุณปัตตะตาเจ้าค่ะตอนสวดมนต์มุม่งมีสมาธิแล้วก็เห็นจิตตัวเองวิ่งไปคิดเรื่องอื่นได้ด้วยเจ้าค่ะขณะเดียวกันในขณะที่อ่านบทสวดมนต์ไปด้วยจิตก็คิดเรื่องอื่นได้ด้วย แปลกใจว่าทําไมถึงสามารถเห็นได้ในขณะเดียวกันเจ้าค่ะอ๋อมันยังไม่สงบไงถ้าสงบแล้วมันต้องไม่มีอะไรมันต้องว่างถ้ายังมีอยู่ก็ต้องสวดต่อไปแล้วต้องพูดโธต่อไปแล้วดูลมต่อไปจนกว่าจิตว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วถึงจะถือว่าสงบเป็นสมาธิเองถ้ายังมีอะไรอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ถึงสมาธิยังไม่ถึงฐานของจิต ก็สสวดต่อไปดูลมต่อไปหรือพูดโทรต่อไปเรื่อยๆก่อนมาแล้วเลยใครอยากจะถามไหมยกมือขึ้นอตอนนี้ก็ในประมาณ4นีนาทีจะชั่วโมงขึ้นอ่คนาคุณพระนุดาพาระนุดาปิดม้ก่อ น, อ น, นอนิลก่อน I mean, I really, really อันนี้นะครับจะมีเมนูขึ้นนะฮะตรงตรงกลางจอนะฮะค่ะ <Okay. S 2> กาเรียนเรียนถามจากที่พี่เขาถามเมื่อสักครู่อะค่ะว่าถ้าสมมติถ้าสมาธิเราอาจจะน้อยช่วงนั้นแล้วเราพอมาคิดถึงใตรักหรือว่าอสุภะหรือว่าปฏิกูลเนี่ยก็คือเหมือนกับใช้ปัญญาอบรมสมาธิใช่ไหมคะ ใช่ใช่เนี่ยใช้ปัญญาตัดกิเลสก็ได้ก็คื อ, อสมมุติตอนนั้นมันเกิดอาจจะสมาธิ<ต>ไม่พอสมมุติถ้าหิวข้าวเนี่ยก็ต้องใช้ดูปฏิกริของอาหารานึกถึงอาหารท<ะ>ี่ในปากในท้องเวลาเจนออกมามันก็จะไม่หิวแล้วถ้า<ะ>คิดถึงแฟนก็คิดถึงาสุภาพของแฟนเนี่ยเหต้องบองที่สติมันไม่กำลังไม่พอก็เลยต้องใช้ปัญญาช่วยกันได้ แต่เรามีเครื่องมือไหนเราก็ใช้นั้นถ้าสติเราหยุดมันได้ก็ใช้สติให้หยุดได้ก็คือก็คือใช้แต่ถ้าหยุดไม่ได้ก็ต้องเอาปัญญามาช่วย<า>ขัน้นหนึ่งแต่จะหยุดอย่างท้าวามันต้องหยุดด้วยปัญญาถ้าหยุดด้วยสติมันก็พอไม่มีสติมันก็กลับมาใหม่ก็ต้องพิจารณาบ่อยๆอถ้าหยุดด้วยปัญญามันจะไม่กลับมาะถ้าปล่อยได้ถ้าเห็นว่าเป็นอัสุภาพต่อไปมันก็จะเห็นเป็นอัสุภาพทุกครั้งไป อ่ะถ้าเรื่องเดิมกลับมาเราก็ใช้อีกถ้ามันจำได้แล้วมันก็ไม่มันไม่มีปัญหากับเรื่องเดิมะออล้วถ้าเรื่องหิวข้าวนี่ถ้ามันใช้ปฏิคูลได้ทุกครั้งต่อไปมันก็ไม่มันยิวมันก็ไม่อยากกินนะถ้าเราเลกถึงปฏิคูลของอาหารเจ้าค่ะแต่ถ้าเราใช้สติพุทโธพุทโธเดี๋ยวมันก็พอไม่พุทโธแล้วมันก็เลิกถึงอาหารขึ้นมาได้คิดอีกแล้วมันไม่คิดถึงอาหารในจานมันไม่คิดถึงอาหารในช่วง มันเหมือนหยุดแค่ชั่วคราวมันก็อยากกินอีกใช่แต่มันไม่ได้เป็นจากความหลงความหลงใจเราไปคิดคิดคิดความสวยงามคิดหน้ากินของอาหารอย่างนี้มันจะไปคิดถึงความให้สวยงามไม่น่ากินของอาหารแล้วมันก็จะไม่อยากกินอยากกินเยอะเคยเคยคิดอยู่แล้วคนคนนี้อยากเลี้ยรถ้ำรถน้ำหนักนี้จะเอาปฏิกรินี้ไปใช้ดีกัไปวิ่งฟินเนี่ยไปเข้าฟินเนี่ยให้เหนื่อยเปล่า ไปเอากำลังฟิตเนอร์เดี๋ยวก็หิวอีกอ่ะใช่ไหมหิวกินอีกจะหิวกว่าเดิม <c oughs> ฟิตเนอมันสนาหรับออกกาลังกายแต่ไม่ได้ไปทำให้ทาให้ความอยากหานความอยากไม่ลดตด่อ๋ยวมันที่คนเหนื่อยก็หิวขึ้นมาอีกแล้วกิน <c oughs> อีกใชมเออคับหายใจนะ ถ้าะะสติถ้ามีสติแล้วมันยังไม่หยุดก็ต้องใช้ปัญญาถ้าอยากจะให้มันหยุดอยากถาวรก็ใช้ใจรักใช้อสุภะใช้ปิติภูนแล้วถต่ว่าปัญหามันเป็นปัญหาไหนเนื้อหน้าโกรธใครก็ใช้ใช้เมตตาก็ได้แอย่าไปถึงสามันเลยโหนหนูทําหนูทําแผ่เมตตาแบบที่พระอาจารย์สอนซื้อขนมไปให้เขาเออนี่ยแหละซื้อบ่อยๆได้ผล เดี๋ยวเขาก็รักเราเองเไงได้ผลดีมากเลยค่ะเราจะน่านใจคนด้วยด้วยทานนะด้วยการให้ไ ด, ได้ผลกับเราด้วยกับเขาด้วยเราก็สุขเขาก็สุขแค่กเป็นเพื่อนเงินต่อไปได้มย่อเง น, นต่อไปขล้อแยกงขนมอะไรก็ตีกันอยู่เรื่อยแล้วค่ะโอเคนะตอนนี้จมลงครึ่งแล้ว เปิดโอกาสให้ใครอยากจะถามอีกไว้ถ้าไม่มีก็คิดว่าสมควรเกี่ยบเวลานะไ้ขอเอเวลาไปา พ, พักผ่อนแล้วคงจะได้เจอกันอีกประมาณอาทิตย์หน้าก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพือ่อความสุขวามเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธ อ, อ